พระธรรมเทศนาลำดับที่26โดยหลวงพ่ออินทายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีมีเชื่อเรื่องว่าพระปาติโมกกับอิทธิบาวันมืข้ขค้นคํำหนึ่งเดือนเจ็ดตรงกับวันที่สองมิถุนาพุทธศักราช2554ไม่อีกไม่กี่วันอีกไม่นาน เดือนครึ่งฮะเดือนครึ่งก็เข้าเข้าพรรษาละปีนี่ยเพราะนั้นให้พวกเข้าเตรียมตัวไว้นะเตรียมตัวไว้แจเนัินเนินในพรรษาปีนี้เข้าสิถําตนจังใดว่างตัวจังใดปฏิบัติร้ำจังใดโดยเฉพาะยังยิ่งควายพระสงฆ์ลูกศิษย์ลูกหาลงพรในพรรษานี่สิ บ, บําเพ็ญภาว น, นาจังใด เอาจริงจังจังใดมันต้องมีจริงจังได้มันจงค่อยเห็นจริงเห็นจังนี่จะทำร้อนแล้แรไปเลยเพราะไรไ ด, ได้แต่ว่างแผนไว้ว่างแผนไว้ในพันษาเนี่ยเอาจังใดนีน่นสีทองหนังสือตามไม่จริงพระนหน่อยผ่ า, น, านุ่มพันศาสองพันศาสามเนี่ยหลวงพ่อก็อยากให้ทองพระปฏิโมกนะให้ได้ ได้พระปฏิโมกแล้วมันเป็นศักดิ์สิทของเจ้าของย่างมากเลยต่อไปพ้าิภาคหนาคันเท้าเข้าไปเป็นหัวหนาเข้ากัสวดพระปฏิโมกขได้คันมีมูพกเพลินมาเข้ากัดสวดได้บอมแบนสิพ่อพระมากมากแต่ก็ขึ้นยากพระปฏิโมกขบอมีไปห่างอ่อบุญนันอ่อบุญนี้อันิสง์มันบอมมี่เลอันดิสงเจ้าของขี่ขานมันก็เลยบอมมีอันิสง์ พระปฏิโมกข์มาอยหากอยู่นั่มวัะนั้นเขาต้องทองหให้ได้ปฏิโมกอันนี้คือส่วนหนึ่งแต่่าบ่มเนสิตทองแบบกะลัมกะเลียไปเรื่อยนะพอเอาจังๆันแปลว่าบมมีสั์จริงเวลาชีเหตุอย่างแตงให้มีความสั์ความจริงในพันษาในี่ต้องหให้ได้เอาพันยาง อ, อกกุกฤษเลยทองปฏิโมก เป็วลาจะคลองเราก็ฝึกซ้อมอีกฝึกซ้อมและการสวดอีกหาครูใดเห้าที่ฟังกันใดมือเนื่งก็ให้องค์หนึ่งขึ้นไปสวดเข้าก็เป็นผู้ฟังตัวท่านบาดในเห้าขึ้นไปสวดองค์นึ่งก็ตัวท่านต่อไปมันก็คล่องเองละบาดแล้วจากนั้นก็ไปหาผู้เพิ่นสวดได้ให้เพิ่นฟังให เป็นตำหนิมองใดเขาก็จดไว้เสียงตัวใดเสียงสันเสียงเงวจังใดจดไว้ขนาดเขาพ้นสอบพระอุปชาเออก็ะบอแมนธรรมดาที่กันเน้สอบพระอุปชากรบอแมนที่อุปชาที่ใดมากนี่ได้มากง่งายๆบอแมนดเด้ไปพระเป็นสิบเป็นเศ้านัดไปกรุงเทพเอา่าองค์นึงเกิดสมมุิองค์หนึ่งเป็นอุปชา สององเป็นอาจารย์สวด อ, องคหนึ่งสมุดเป็นสมมุติเป็นนาคกัอนออกไปคือกันคือกันกับเหรียมรำมูของฉันนะอสอน ส, สอบอุปชาตนะิแต่ในอุปชาติาทำท่าสอนนาคกัอนออกไปอสอนสอนสอ น, สอนขั้นสอนบะไรเอาต๊ะกักบออกไปแม่อองหนึ่งขึ้นไปนางอุปชาอสององค์สวด จนเป็นทีย่อมหลับจึงมาสอบผ่านแต่ว่าถึงอย่างไรก็ต้องถือพรรษายี่สิบผ่านไปแล้วจึงเป็นพระอุปราชได้แต่าตามไม่จริงในพระวินัจริงๆพรรษากับเพียงสิบพรรษาผ่านพรรษาพลสิบนี่แปลว่าเป็นพระอุปราชได้แต่ครูมือนี่พระมีมากทางคมมานาคมก็ดวกไปมาหาสู่กันสะดวก นั่งรถนั่งล่าไปก็ไปบวชได้ง่ายเพิรนยังมีกดกติกากันขึ้นยี่สิบพันษาติมไปจึงสอบพระอุปราชได้ถ้าสอบพอได้เพ้นก็บอยเป็นบอให้เป็นอุปราชเนียบวชซุ่มซีบวชทุ่มหานบอได้เพอเพื่ อ, อ, อจับซึกไงไร้ง่ายๆขึ้กันเพราะพิดกฎกติกาของเพิรนอันนี้มันก็ควรจะเป็นยังสัน้นขึ้นกันเพราะว่ามผมพอได พ่อเกิดมาก็ลยจะบวชโพลิศก็บวชบ๊บแมนบวชมาเอืบวชมักแต่งบวชกลวยน้ำบาี่บวชง่ายปานผู้ที่จะบวชก็ต้องพร้อมขนาดไหนเพระอุปชาพร้อมขนาดไหนคขสุศณะสง์พร้อมขนาดไหนที่เป็นสักขีพยานพอบวชเก่ามาแล้วก็จะได้ผู้อื่นกราบผู้อื่นไหวสักเคารพสักระบูชาเป็นพระเถระต่อไปไพ่ภาคหนานี่แหละคือการบวช อันนี้ถึงมาพูดถึงในพันสาถึงนี่แหละสรุปแล้วคือว่าเวลาเข้าทองพระปฏิโมกข้าก็ะหฮองค์หนึอ ง, งองหนึ่งเป็นผู้ฟัง่งองหนึ่งเป็นผู้สวดคือการยังหลวงพ่อเปรียบเทียบการสอบปุกประปช่างนี่ท่านต่อไปเข้าก็จะจูงหัวจักว่าขํามพิษขําถูกได้แต่โดยมากพระน้อยหลวงพ่อจะให้ควรจะเรียนพระปฏิโมกในพันสาให้ตั้ง เตรียมตัวไวแต่ว่าเราเาใดปฏิโมกแล้วนั่นแหละเราก็สงมอบความไว้วางใจกับเราเราขึ้นบนธรร ม, มาฏที่อาจนะสูงกว่างมูทั้งหลายส่วนมูทั้งหลายนางปรโนมมือฟังอ่เป็นยังไงเรื่องสิกขาบทนี่พวกท่านทั้งหลายบริสุทธิ์ในวินัยหรือยังอา่าประกาศเป็นขอเป็นขอไปถ้าแปลเป็นบาลี แ, แปลออกมาเป็นภาษาไทยของเข้าเพื่อให้เกียดเนี่ยพราะใการสวดปฏิโมติทว่าซุ้มสีซุ้มหาห ม, มูมมาบไปทวนวไรเนีสงศิเป็นผูฟั่งจะไปฟั่งซุ้มสีซุ้มหาบ่อได้ฟั่งให้เป็นชัดถอยชัดค่าชัดเจนพอการที่จะพูดเรื่องกฎหมายในโมเมนต์ที่เราคุ้มเครือบอะไรได้เรื่องกฎหมายต้องบอกให้ชัดเจน ต อ, fluffy, ตอนนั้นพิษตอนนี้โถกันนั้นคว่นตอนนี้โถขุ่นตอนนี้อันนี้พระวินัยของพระพุทธเจ้าคือกันเวลาเขาสวดนั่ยนะดวงตาเป็นยังไ้พิธีพิถันอย่างมากอ่าอีเอโอนผลจริงอยู่ในห้หูของผลมดอันสวดกินสราามากเลยอ่ามันกินอามากเกินไปนะมันอะไปหมดเนี่ยกลิ่นอีมากเกินไปนะอมันเป็นอีไปหมด อินตัวหนังสือบอใดอีต้องเป็นอีอาต้องเป็นอาอูต้องเป็นอูคนหนึ่งบ่เป็นอุคนหนึ่งนะเนี่แหละอันนี้คือลวงตาเนี่ท่านพิธิพิธันนี่ยลงตามหาบัวพ้นเป็นมหาเลยพ้นเลียนทั้งบาลีมาพอมพอ น, นันพุดธพานสนามบันตาดมาได้นี่โอ้พอ น, น, น่นนับว่าเป็นเป็นที่าพาคภู้มุใจวันโนไปอะรวยมากพ่อขึ้นไปขึ้นไปแดนเน่สวดเป็นไร ล, ลงจากธรรมาตเนเตี้ยว ไวก็บอกล้าขึ้นยานขายขีหณาเจ้าของแต่หลวงพ่อนี่สวดปฏิโมกยูุ่บันตาดเป็นประจําเลยสมัยอยูุ่บันตาดขึ้นสวดปฏิโมกเป็นประจําต่อหนาองค์ลงตานลงตานเป็นผู้ฟังนี่แหละอันนี้ก็คือพวกเฮาผู้ที่เข้ามาบวชผู้ที่จะดําลงส่งศาสนาต่อไปพ่ายภาคหนาหลวงพอว่อปฏิโมกจะเป็นสิ่งที่จาเป็นสําคัญส่วนหนึ่ง จากนั่นก็ขันว่าเออปีนี้ยังบอพท่านเอาปฏิโมกตถึงเอาปฏิโมกแล้วลักใจของเขาก็ยังพรท่านแหน่นถึงได้ปฏิโมกของเข้าแลยจก็จีบอยู่ค่อนแค้นแบบไดเขาก็บอกท่านหูเข้าจิตตั้งใจพ่อวนาเขาจิตเล่งภ่อวนาตะ ก, กอนพันศาเนี่ยนั่นก็ต้องว่างแผนไว้บอลแมนจีจับน่องนันจับมองนี้พ่อแก้ล่ำขั้น ปฏิโมกขบวารเดือองนั่งภาวน่าขบวารเดือ๋องทองสวดมนต์ขบวารเดือองเอาไปมากเล็กเป็นพระบวารเดือองสักแนลโดยด้วยดยดย้วยเนีงัเไปเรื่อยหากคตหาเกณฑ์บวไรบอกควนจะเป็นจังสั้นวันนั้นขอให้พวกเข้านะอ่าตุกชิดลูกหาลงพอนะฟั่งใบนี่ลงพอดําเนินมาจังไหนลงพอกระเบาให้แกพวกเข้าเป็นขอคิดเป็นแนวศึกษา แต่ทรงหลวงพ่อนี่ยทองปฏิโมกจบตั้งแต่สมัยเป็นเน่นเลยอายุ17ปีจบปฏิโมกขก่อนสิจบได้กันเนี่แหละคู่บาคูบาซีล่าคูบาซีลาเนี่ยเป็นคูบาเป็นแก้วเฮาพันบวชเป็นบวชเป็นพระสองพันหารอยขึ้นกันหลวงพ่อก็บวชเป็นเน่นสองพันหาและมาจําัตสาน้ากันพันอายุหลวงพ่อก็สิี สองพันหารอยหลวงพอ่ออายุสิบเจ็ดปีบวชมาถึงสองสามปีมั้งสองสามพันสาหลวงพอ่อจิราก็เปิดมาโอ้ยเนี่ยอีกหนึ่งมันสวดปฏิโมกมันไม่ตะล่มกับลมแล้วเฮ้านี่นะผมเนี่ยแต่เฮ้าเนี่ยเลียนปฏิโมกขพกนี่มมพระปฏิโมกอยู่วัดหลวงปู่ปุ๋มเล่ยนูนคนคร ผมมีพระปฏิโมกพระจำพรรษาเกือบสิบองค์เข้าในเห่นสิบเอ็ดมือด้านนะปฏิโมกส่วนได้เลยสิบเอ็ดมือโอ้โหมันสางกรรอ ก, กรเดียเพราความจริงจังนี่แหละขั้นจริงจังนะได้ขั้นเลาะๆแล้วแไเท่านั้นเดมันบเป็นถานาเป็นหลังดอกเข้าในส่วนสิบเอ็ดมือหมอร่ำซีลาปเป็นหมอลำ่ำเลย เอออายุขามาบวกอายุสามสิบสองปีขนาดสามสิบสองปียังหัวดีอยู่เลยยังทองปฏิบกสิบเอ็ดมือหาได้ยี่สัยวันหไปแต่ว่าเรื่องล่ำเยก็เก่งเออเขาบาหมอลำซีลาค่าค้นแผ่นดินปีนนนไปเอี่ยย่านแต่หมอลำซีลาตอบประถือตอนนั้นแหละเรื่องค่าโบค้าวนนึไปย่านจะตอบปรถือวันน่ไปเออฟังเอาหลดวน่ไป บาดให้พระพนมาบวชก็โหเป็นนักเทศเอกขึ้นกันหน้าฟังเข้า็ได้ฟังเทศหลวงปูศิลาเนี่ยเป็นขังแหลกหลวงปูหลานี่ยพันเทศเป็นเกษตรใหญ่พันกระกบอกววๆๆๆววไปหลดอย่างหลวงพอบอกด้วยนี่แต่หลวงปูศิลานี่บอกบอกเป็นทำน่องอีหลีได้เออสมเพิ่นเป็นหมอล่ำเก่าอยู่วันนี่แหละเพิ่นปาหมาดหลวงพออ่อหนเอยเจ้าทองพระประเหน็บ บาเป็นหาวมาหลังเอาะบไดอยเส้นอดมือตายก็บบอด้ขคันทองแบบนี้เลยเส้นโอ้เอาคนหน้าบาดเดยวาตั้งท่าจนหน้าบาดในพันศานี่สทท้องปฏิโมกใขยจบอะจีให้ได้มือได้าสามขัามยางหน่อยยางหน่อยก็ได้มือได้าสามแถวมือไะ้สองแถวมือไะ้าสามแถวให้ได้คันบอดายจบีบอดบอดพักบอ่อนอนเลว้วนงไ ก้อนที่ทองก็ทองข้ามกอมาก่อนทองทองทองทอองแล้วก็ทองตออีกทองตอได้ได้เลยก็กลับมาทองเกอทองทองทองทองไปอีกไปหาอันที่ทองใหม่อีกทบทวนทองใหม่อีกแล้วก็ทองเกอทองทองทองม่อีกกลับใหม่มาอีกเนีเวลาทองต้องเบิร์หนังสือเลยเอีต้องเบิร์หนังสือโอ้คันเอาจริงเอาจังมันบวชสามข่้มแล้วมือหน้าน้องหนาอ่านั้วืพระติโมกมันก็ะซั่มกันเลย เพียงแต่พ่อพยายามสังเกตเบางท่านน่ะสังเกตจะให้มันตัวใดมันซ้ำกันจากไห น, เ, นเขาก็พลิกพลิกพลิกไปเลยบางที่ก็จะซองสามหนาเดือนคิงเท่า น, นั้นแหละจบปฏิโมกโอ้แมนความเพิินอิลีตัตวเนี้ยวะเอาอยัางลำดึกถึงบุญคุ้นของลูกคูบ่ายชีลาของเฮาโยนไปอาจารย์ชีลาของเฮาอินทวังโสเป็นลูกทิดหลวงปูหลาดุ่นใหญ่ลุน พุ่รุ่นพี่ของเฮาเนี่ยแหละคันเพลนบอประมาทไปจังสันหอ้ยตลงพ่อจะโบสถจบสมัยเป็นเน่นพ่อจบแล้วบาานพ่อเป็นพระเป็นม้าหลกงพสส่อสวดอันดับแรกอยู่วัดหลวงปูมหาบุนมีพระหลวงปูหล่าพระมาอ้าวท่านอินบวชไม่เน่ะสวดปฏิโมกขัยเล็กกับผมเออเอาสวดโอเจ็บวชในชิปผ่ามือท่านนั่นแหละขึ้นปฏิโมกเลยสวดเลย นี่แหละอันนั้ก็คือครั้งแรกจากนั้นมากก็สวดมากเยอยๆยยุมายุวาท่อนเะนี่ยก็ยังได้สวดอยู่สมัยมาให ม, ม่ๆพ่อพระยังบอท่านมากพ่อต่อมาเฮาอายุแกกี่มาแล้วเลี่ยมีพระลูกน่องลูกชิดลูกหาสวดได้เลยเอาปอยไปแต่ว่าถึงยังไงมันก็ยังจําอยู่ในหัวอยู่เพราะมันทองมาจนเข่าสมองแลว้วนะเนาะไปปฏิโมกษ์ มันยังออกเปลาสวดข้าวดายังฟั่งออกโยนพิษต่อไรถึกคนนี่แหละอันนี้คือคือความใส่ใจในการเรียนการศึกษาอิทธิบาท ค, คือคือคุณเครื่องให้สําเร็จความประสงค์สี่อย่างฉันทะนะคือความพ่อใจในการที่จะศึกษาเรื่องนั้นในการทำงานนั้นฉันทะวิริยนะ์เพียนประกอบให้มีความเพียนให้มีความพยายามในการ ประกอบในกิจการนั้นนันจิตตะ เ, เอาใจฟักไฟเอาใจใส่พวกนัออ้นถึงจะได้จะให้มันจบจิตตะวิมังสาไตรตรองเหตุและผลในเรื่องนั้นๆนี่แหละขัน่าวาเบาเหลือวิสัยจริงสำเร็จทุกอย่างเนว่าอิทธิบาทคือคุณเครื่องให้สำเร็จความประสงค์สี่อย่างฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสา ท้ำซีประการนี้อยู่กับผู้ใดผู้นั้นทําสิ่งใดเออจะจะสาเร็จสมความสมความมุ่ง ม, มัดปรารถนาถ้าสิ่งนั้นไม่ไม่เหลือวิสัยจริงๆเลยถ้ามันเหลือวิสัยจริงมันก็มีแต่อยู่ในวิสัยที่คนทั้งหลายเหตุใดเ้าต้องทําใดสิ่งเหล่านี้ก็ต้องให้ว่างแผนในการดาเนิน การเป็นอยู่ของเฮาและก็พร้อมกัน ก, ก็เอเ อ, อเอาเมื่อเล่าจิตใจของเรายังว่ทันหมั่นคงเราจะไปยาาา่างเผาวนาในพันศาออดน้อนมนุษย์พร อ, อาหารม น, นุนั่งเผาวนาให้นั่นๆพระต้องอดอดนอนก็น อ, ดอดพร อ, อาหารก็แต่นัง่งเผาวนานัานน่งให้นาน่นย่างหน่อยเมื่อละสามสีหาชั่วโมงทดลองสิจิตจวัดขอวัดเท่ากระถัมอย่าให้ขาต ก, กพอง แต่ว่าเรื่องภาวนาของเขาเนี่เขาจะบอกรีคุกกี้ตีโมงกับไผ่ในพรรษาเนี่เขาตีบังใจของเขายางเดียวให้อยู่กับพุทโธย่างเดี่ยวอย่างที่พ่อแม่กูบาอาจารย์พันสอนพันบอกไว้หลวงตาพันสอนไว้จังไหนเขาฟังเบอร์แล้วเทศธรรมเทศนาของเพิินพันสอนจังไหนเขาจะปฏิบัติจังสั้นในพรรษานี่นี่อันนี้คือการ ว, ว่างแผนเอาไว้แต่ก็ะยาให้มันล่มเร็วเลย อพ่อทำท่บล็อกเกาะแกนของพ่อปานลิ้นฟอนแหม่มันบไดาเลยเอาบั็อคสีฟอนตีกองตึงๆงับ ง, ง, งับสองสามค่ำมันเศร้ามันบไดาเลยทังสัตวอันนั้นแปลว่าบอจริงจังบอดจริงจังลักลอยกันเป็นพาะที่ลักล่อยหายความจริงจังหาความสัดจริงกับตัวเองบอดาต่อไปไพ่ภาคภาคหนาเป็นผู้ใหญ่ก็เป็นผู้ใหญ่ลักลอยเลือนเลื่อนล้อยลอย กคดท้าเกณฑ์บ่ใดสิ่งมโนเนี่บกควรจะเป็นยังสั้นนะควรจะตั้งลักตั้งฐานตั้งแต่สมัยเป็นพระหน่อยพระนุมเป็นพระหน่อยพระนุมทุลักการงานสิ่งใดที่เป็นทุละการงานของวัดเข้าต้องมองเข้าต้องดูเขาต้องช่วยกันเมื่อเข้าทําแล้วไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นอนิสงส์ต่อไปผ้าิภาคหนาเมื่อเข้าเหตุหนัง เข้าเป็นผู้ใหญ่ก็มีผู้ซอยมีผู้ดูผู้แร่ซอยยังหลวงพ่อเนี่ยแหละหลวงพ่อจะไม่เป็นพาน้อยอยู่กับหลวงปู่หลาทำมัดทุกอย่างเออพวกเป็นนาทีถือว่าเป็นลูกในบ้านหวานในสวนของเพลินไปเขาไปรับใช้เพลินต้องทําบกขยะบกขยงชื่อว่าวัดผู้จกักอนเป็นวัดของเฮาพ่อมาไมาอยู่กับวัดหลวงปู่จามอีกทำมัดอีกทุกอย่างอี ก, ก, อกซอยหลวงอ่ะเป็นวัด ว่าศาสนาจึงใดสีเปิดเกิดประโยชน์บ่ให้เพ้นนักใจพ่อมายโยกับหลวงตามหาบวัวอีกสิบสี่ปีนี่กันพ่อก็ทุ่มปัดทุกอย่างขึ้นกันเออเรื่องสร้างกุฏิเรื่องถนนห้วทางเรื่องอย่างยังของวัดว่าศาสนาพ่อหลวงตาเอวยว่าบ่หันมงอบ่ดีเดี่เข้าไปจัดการไปดูแลคือถือว่าเป็นนาทีของลูกเพ้นเป็นพอ่อเข้าเป็นนาทีของลูกต้องทํำนาทีให้ดีที่สดุดในขณะที่อยู่กับเพ้น ในเมื่อออกมากจากเพิ่นบ่นาเไม่เป็นเอกเทศยังไม่อยู่วัดปานะคำหน่อยเฮ้าคนใดวิชาความรู้ที่เพิ่นบริหารจัดการจาังไหนเพิ่นสัง่งจังไหนเพิ่นบอกกาวจาังไหนเฮ้าขอพร้อมที่จะบอกกาวลุดน่องหลูกซิดหลูกหาของเฮ้าใดเพอเหตุใดเพราะห้องเยียนมาแล้วเอาศึกษามาแล้วบอสะทกบอสท่านอีกต่างหากเพราะห้องบรดถท้าความพิดอีกอย่างศึกภาษามาจากพ่อแม่คู่บา่จ า, าจาย์ม้าจังไหนเฮาก็นั่งมาบอกกาวเออ แล้วก็เป็นไปด้วยดีที่พันพานมากที่วัดคองเฮ้ากับบ่มีอุปสรรคลูกชิดลูกหารที่เขาม้าอยู่ไกลกต่ที่พันพานมากรู้บบสึ ก, ก, ก, าา ก, กสว่าใส่ใจดีเพราะเหตุใดหลวงพว่อควส่วนหนึ่งเขาคงจะเป็นอนิสงส์ที่หลวงพ่อได้ปฏิบัติกับพ่อแม่คู่บ้าอาจารย์ด้วยความรักเคารพหรือความจริงจังและจริงใจ คง อ, อนันนิสง์เหล่านั้นแต่หลวงพ่อก็สอนปลุกน่องป่องไปใหกันเอาจริงจังนะทําจนนะริจงจั่นะเฮ็ดจริงจีนะเฮ็จริงจังนะจริงใจนะเอีถามว่าบ่มีศรัทธาอบ่มีศรัทธาบ่เชื่ออในหลวงพ่อแล้วบ่เชื่อในพระพุทธศาสนาบ่มีศรัทธาจะไปหายูยู่ให้ยังยูล้อเล่เลยแหละหนีฮหลวงพ่อก็บอกโลเลยหนีเอีเมืองไทยมันบอก มันกว้างแค่ยังเนแผนทีประเทศไทยมันบอกแคบคือใบมักขามเนียมันหนีจไปยูอ่ายูไปก็นักวัดนะหลวงพ่อก็บอกทังทันเละหลวงพอ่อคือกันการไปยูกับเพลินขั้นบอตั้ ง, ง, งใจหลวงพ่อก็หนีเลยกันเอีอ่ยพอยเสือเพลินเนี่ยยูให้ยังอยูไปก็นักวัดนะพอเนี่ยผู้ทีจะยูต้องตั้งใจสรุปแล้วให้ตั้งใจให้มุ่งมั่นตอลักทำค่าสอนมุ่งมัน่นตอลักทำวีได่ มุ่งมั่นตอลักเหตุผลเป็นผู้ไฟใจไฟในการศึกษาไฟในการประพฤติปฏิบัติขาวว่ามีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจแล้วมักผลมีผ่านมี่นรกสวรรค์มี่ตายแล้วบอลศูนย์ตายแล้วเกิดบาปบุญคุณนโทษมี่คุณนพ่อแม่คู่บายจานมี่ที่ทำกรรมดีทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วแน่นอนเสื้อ นี่แหละเขาก็อยู่นะอยู่เพื่อการศึกษาไปใสก็คือเก่านะอยู่นี่ก็คือเกา่าไปหนาก็คือเกา่าอยู่กับคู่บ่ายจานดีกว่าเพราะเหตุใดพออยู่กับคู่บ่ายจานย์ยากหน่อยก็อยู่ในสายหูสายตาของเพลนว่าเพลนเข้าเฮ็ดพิษหรือเข้าเฮ็ดถูกเขาเฮ็ดพิษเพลนก็จะบอกเอ้ยมันพิษนะเดินะ ย, ยาเฮ็ดนะอยาทํานะอย่าให้เห็นอีกนะอย่าทำํำพิษได้ถูกเข้ากัได้เบิงมูเบิงเพื่อนอีกเลย เพื่อการศึกษาต่อไปพ่ายภาคนานะห้ามเมื่อเป็นห้าเป็นผู้ใหญ่ห้าก็ว่างแผนว่างแปนถูกการจะบอกกาวแนะนําสังสอนลูกน้องของห้ากับถ้ำหรือความมุ่งมั่นหรือความตั้งใจเพรอได้ศึกษากับครูบาอาจารย์มาแล้วนะอย่างหลวงพ่อศึกษาจากหลวงตามาจังศีลจากปูหลาหลวงปูหลามาจังศีลหลวงปูจามมาจังศีลไปเห็นหลวงปูแหวนมาจังสันหลวงพ่อกะ ก, ก้กาเปอบก้าจะแดง การแสดงความคิดเห็นยาเฮ็ดเนะี่ยน่องนองลูกหลานได้เทศทางชันบั้นบอถือได้บวมเป็นปฏิปทาของปวมแม่กู้บ่าจานเท่าเนาะอันนั้นเป็นเรื่องของกิเลสอย่าไปทะเลบวแหวงกันนะเนาะเข้าบวมเนหมาทีไปก า, ากัดกันเข้าเป็นพระนิสัยกิริยามารยาทจังไรสำรวมระวังจังไรให้เข้าสำรวมระวังนะให้เขาเป็นพระนะเป็นดูโดยทัศน์ท่าของชาวบ้านนะ ท่น ว, ว่าชาวบ้านเขาบมมีศรัทธาพระพุทธศาสนาสิยู่ใดจังไยอย่าเขาก็อยากไปบุญเมื่อเขามาทําบุญเฮ้าบำเพ็ญทั้งในนะเขาก็บําเพ็ญอย่างสุดความสามารถด้วกันบําเพ็ญท่านศีลภาวนาของเฮ้าให้เต็มความสามารถในสิ่งไหนที่มั่นบอดีอย่าคิดอย่าทํำยาพูดในสิ่งที่มั่นบอดีมั่นบอดีกูหงักเกอยู่ตัวพระวินัยเฮ้าศึกษาพระวินัยของพระพุทธเจ้ากฎระเบียบกฎเกณฑ์นั้น คือศีลศีลคือกฎเกณฑ์คือกฎระเบียบเข้ากับหูจัดไว้แล้วยาเฮี่มันเป็นว่ามันพิษให้เฮ็ิแต่ทั้งสริงจริ ง, รงที่มันถูกต้องอในพรรษาเนี่ยเขาใจเอาจังไดรอ ย, อย่างที่วาเนเลี้ยนปฏิโมโกบอเขาจีเล่งภาวนาเรื่องเข้าสจศึกษาเรื่องกฎระเบียบพระธรรมวินัยนี่แหละสรุปแล้วก็คือให้มีกฎมีเกณฑ์สำหรับจบของนะ พูดทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อเป็นแนวศึกษาเพื่อเป็นแนวภาคปฏิบัติสําหรับพวกเข้าทั้งหลายที่เป็นพาะตลอดถึงหยาดโยมขึ้นกันเออเป็นโป้เป็นจอยู่เป็นมือเป็นเว่นไปได้เออมือนี่ผมปีนี่ผมงอกไาไปไหนปีหนางงอกไรกว่านี่ปีนี่งอกไรกว่าปีที่แล้วปีนี่แขวโยกแขวคข้อเออหูตึงตาฝ้าฟัาง่ง มันมีไปมัดน่ะมันแกไปหนาแกไปใสแกไปหาลักปะหารประหารคื อ, อยังก็คือความตายคนเท่าเนี่ยแกแกแกไปก็ตายตายแล้วไปใสตายแล้วเกิดอีกในหลักของพระพุทธศาสนาอยา่าหงุดหงิดว่าตายแล้วไปใสให้นั่งภาวนาเป็นมานั่งภาวนาทําจิตใจให้สงบเมื่อจิตใจเป็นหนึ่งเราจะหูุจหงแยกแยกในเล่ว่ากาัยกับใจเนี่ยอาศัยกันอยู่บ่มเมน็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ร่างกายคือกันกับรถจิตใจน้ำมาถรมที่มองบเห็นด้วยตาเนี่ยคือกันกับโซ่เฟอร์ขับรถมันอาศัยกันอยู่จังสันละขันหัวเท่าพาวนาล่ะมันแยกแยะได้ชัดเจนขันหัวเข้าบ่พาวนามันแยกกว่าใดเด้เนอพรามันจิติสัมปชัญญะมันเดือนล่างมันกระจายไปหมดประจักษิจับจุดใดคันว่าเข้าพยายาม ทำจิตใจให้สงบนิ่งลงไปได้ล้วเข้าจะรู้ได้ด้วยตนเองธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยเพรนว่าธรรมะปัจจตังผู้ปฏิบัติเท่านั้นจึงจะรู้แจ้งเห็นจริงได้ต่อไปเนี่ยรับพร น, นะนันตนะอนโมทนาให้พ่น